ทีนี้เมื่อผู้ที่กำหนดรอบรู้ปัจจัยเนี่ยด้วยอนุภาพของอะไรอันนี้พวกนี้เป็นปัญญาเป็นกุศลทั้งหมดเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่รอบรู้ปัจจัยของพวกนี้เป็นอย่างดีก็ไม่ใครครวญถึงว่าอย่าลืมว่าปั จ, จยัปริหายานต้องคูณด้วยการสามเสมอทั้งที่เป็นอดีตจกักรก็เกิดด้วยปัจจัยทั้งที่เป็นอนาคตก็เกิดด้วยปัจจัยแม้ปัจจุบันนี้จกักรก็ดารงอยู่ได้ด้วย ปัจจัยเนี่ยนะจักสูุเป็นไปกับชาติชรามมรณนะโสกะปริเทวทุกโทมนัตและอุปายาการใข้ควรวนแบบนั้นเรียกว่าตีรณะหรือสัมมา ส, สนาเนี่ยนะสัมมาสนญาทีนี้ถ้ามอใ่าง่อุทยพยะอุทยะพิจารณาถึงว่าไอความเกิดของจกักรโเนี่ยเพราะอะไรเกิดจกักรสุจึงเกิดทั่นก็นถือว่าหลักๆจริงๆเนี่ยนะเพราะ หนึ่อวิชาเกิดนะตัวหลักๆสองเพราะตันหา3เพราะกรรม4เพราะอาหารแล้วก็นิพพัติลักษณะคือตัวจักรสูเองเนยนะจักรสูจะเกิดได้เพราะมีธรรมะอันนี้อันนี้เรียกว่าอุทยะถ้าจักรสูจะหมดไปเนี่ยนะจะเสื่อมไปเนี่ยเพราะอะไรเสื่อมคือถ้าให้มันหมดไม่มีต่อไปเลยอ่ะนะดับถาวรไม่มีจักรคูเลยจริงๆต้องดับยังไง วิชาดับจากขู่ก็ดับตัมหาดับจากขู่ก็ดับตามดับจากขู่ก็ดับแต่ถ้าลำพังมองเฉพาะชาตินี้นะชาตินี้แค่ขาดอาหารก็บอดแล้วเนี่ยนะแล้วก็ธรรมชาติเชือ้อจากขู่ถึงมีอย่างอื่นดีมันก็ทําลายอยู่ดีเพราะอะไรเพราะธรรมชาติที่ไม่ได้เที่ยงอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่แปรปรวนอยู่แล้วเนี่ยนะเกิดทำสำน ว, นวนว่าถ้า ถ้าคนตายแล้วจักสู่มันจะใช้งานได้ที่ไหนมันก็หมดหมดสภาพไปเพราะงั้นก็ถ้าว่าไปก็ถ้าดับธรรมะเหล่านี้หมดจกักถสูก็ก็ดับเนี่ยนะก็เรียกว่ารู้เหตุเกิดและความดับทีนี้เมื่อรู้เหตุเกิดกับความดับอย่างนี้ดีก็ตามเห็นแต่ความเรียกว่าเห็นความไม่มีสาระเนี่ยนะว่ารวมๆเลยนะ อันนี้จังทุกขังอนาตาก็คือไม่เห็นตามเห็นว่าอันนี้มันมีสาระอะไรเลยสักอย่างไม่ได้ตามเห็นโดยความเป็นสาระแกนสารเช่นไม่ได้ตามคำานึงว่าสาระว่าเที่ยงว่าสุขว่าเป็นอั ต, ตาเนี่ยนะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็เบอร์นายเมื่อเบอร์นายก็ปกติก็วิราคะใช่ไหมที่เรียกว่าคลายกำหนัดเนี่ยนะ อันนี้ที่เรียกว่าอริยมรรตเนี่ยนะตัวนี้ปกติเนี่ยในฐานะถาวรนะจะถ้าเปิดแล้วจึงเกิดส่กระสะอันนี้นะประตูนี้นะจะไหลเข้ามาต่อเมื่อเปิดถ้าไม่เปิดไม่ไหลอันนที่ที่ตั้งคำถามว่าแล้วที่ละกิเลสเนี่ยละกิเลสอดีตอนาคตรหรือปัจจุบัน เนี่ยนะก็บอกไม่ใช่ทั้งสามเพราะไรถ้าละกิเลสปัจจุบันและใครมาเจริญวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาไม่ใช่ตัณหาถ้าละกิเลสในอดีตเอา้ามันหมดไปแล้วนะเพราะไรเพราะว่ามันเห็นไปแลวกิเลสมันเกิดไปแล้วมันก็หมดไปแล้วถ้าละกิเลสอนาคตกิเลสมันก็ยังไม่ได้เกิดไอที่เจริญไม่ใช่เจริญอันนี้ นี่นะที่เจริญนี้เจริญธรรมะกลุ่มนี้ทั้งหมดในระหว่างเจริญเนี่ยไม่มีกิเลสปนเลยในนี้เมื่อไม่มีปนเนี่ยกิเลสจึงไม่ใช่ปัจจุบันถ้าปัจจุบันต้องเกิดปนกับพวกนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกไม่ใช่อดีตอนาคตและปัจจุบันถ้าบอกว่ากิเลสปัจจุบันท่านตั้งเลยนะถ้าอย่างนั้นมรรคของคุณก็บวกกับตันหาสิ่เนี่ยนะ มัน ก, ก็เกิดร่วมกันไม่ได้แต่อันนี้ถามว่าอันนี้ไม่ได้พูดเองปฏิสัมพิธา ม, มักท่านแสดงอย่างนั้นเห็นไหมครับคือกว่าคือกล่าวว่าอาดีตอานาคตปัจจุบันหมายถึงขนาคือ ท, ที่ที่ถามแบบนี้เนี่ยนะครับถามว่าจะได้รู้ถึงแนวทางว่าถ้าบอกว่ากิเลสอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยนะก็ถ้าว่าให้ตรงๆแล้วถ้าโดยสภาวะกิเลสอดีตมันก็ดับไปแล้วอะ่ะ กิเลสอนาคตมันก็ไม่ทันได้เกิดอะไรเลยกิเลสปัจจุบันมันเกิดตรงไหนอ่ะเพราะกุศลเหล่านี้ไม่มีกิเลสเกิดร่วมเนี่ยนะจนถึงอริยมรรคไม่มีกิเลสเกิดร่วมเพราะในระหว่างที่เจริญมรรคอยู่ไม่ใช่ขณะที่เจริญมรรคไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกิเลสเลยแต่ที่แต่แตอั น, นี้พูดถึงทั่วทวไปก่อนถ้าไม่เจริญอย่างนี้เนี่ยจักสุประตูทันทีเลยรัวใหญ่เลยใช่ไหมถ้าถ้าถ้าไม่ไม่ได้เจริญตมรรคตามนี้มานะ พอลืมตาปัาป๊บมาเป็นแถบหมดเลยแต่ถ้าเจริญมรรคเสร็จนะถึงลืมตามันก็ไม่มีอันนี้ถ้าถ้าคนที่ทากิจทากิจเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เจริญมรรคอยู่นี้ไม่ได้ให้อันนี้เกิดเลยก็ก็ปไปถอนวิปลาสในในสิ่งเหล่านี้อ่เสร็จหมดแล้วเนี่ย เพราะในการไหนไหนก็ตามผ้าอรหันต์ไม่เคยคำหนึ่งว่าจาักสุขเที่ยงสุขหรือเป็นอัตราอะไรเลยไม่มีความวิปลาสแบบนั้นหน่อยหนึ่งในตัวท่านก็ไม่มีไม่มีหน่อยหนึ่งเมื่อไม่มีเนี่ยด้วยที่ไม่มีวิปลาสนั้นด้วยอนุภาพของอริยมรรคเมื่ออนุภาพของอริยมรรคละวิปลาดได้เช่นนั้นแล้วนะหลังจากนั้นกิเลสก็ไม่เกิดถ้าว่าให้ตรงไปเขาบอกว่าปุตุชนกับผริยะต่างกันตรงไหน ต่างกันตรงที่ว่าปุทุชนถ้าลืมตากิเลสเกิดพระอริยะลืมตาและกิเลสไม่เกิดถามว่าอันนั้นเพราะอะไรเพราะพระอริยะท่านเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ปุตุชนไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะที่จริงแล้วไอ้คำถามเมื่อกี้มันเป็นคำถามลวงเฉยๆหรอกเนี่ยนะเป็นคำถามที่สำนวน ว, นว่า เ, เพื่อความปริปุจรชานะถามเพื่อจะได้้จะได้แยกให้ให้ให้ถูกต้อง ไม่งั้นเราจะมาถ้ามานั่งถกว่าเต้องละกิเลสปัจจุบันถ้าอย่างนั้นก็ไปเที่ยวทําให้กิเลสเกิดก่อนจะได้จะได้ละแต่จริงๆแล้วตามความทางธรรมะนั่นท่านถือว่ากิเลสเป็นสังขารธรรมกิเลสมาจากไหนมาจากเวทนาเวทนามาจากไหนมาจากภาษาภาษามาจากไหนจากจักขุจักขุจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณมาจากไหนจักขุถือเอาตรงนี้เป็นทวารเป็นหลักเนี่ยนะทีนี้ถ้าว่าให้รวมๆนะ ถ้าเอาแบบสลายตนาวิพังกสรทั้งก็แสดงว่าปุตุชนผู้ไม่รู้เห็นจักสุตามเป็นจริงไม่รู้เห็นรูปตามความเป็นจริงไม่รู้เห็นจักขวิญญาณตามความเป็นจริงไม่รู้จกักภาษาตามความเป็นจริงไม่รู้จกักเวทนาตามความเป็นจริงอันนี้เกิดตันหาก็เกิดขึ้นอันนั้นก็จะมากด้วยตันหาเมื่อมากด้วยตันหาก็สังสมอะไรก็สังสมอุปาทานก็สังสมอุปาทานใน ในจากสู่เนี่ยนะตั้งความปรารถนาไอ้ที่ไหนที่ยังไม่ดูก็ตั้งใจว่าจะต้องไปดูให้ได้สีไหนที่ยังไม่เคยเห็นก็จะต้องเห็นจากครูวิญญาณที่ยังไม่เกิดก็ต้องไปทําให้มันให้มันเกิดจะได้ไปดูสุขไหนที่ยังไม่เคยเสวยก็ไปแสวงหาอันนี้คือคือพวกสังสมอุปาทานก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมีความเร่าร้อนทางกายปัญจทวานเนี่ยนะมันอยู่นิ่งไม่ได้มโนทวานก็เร่าร้อนเสร็จแล้วก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งภพนี้ด้วยเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้ง พบหน้าด้วยทีนี้ผ้าระยะก็มารู้เห็นจักสู่ตามความเป็นจริงไอ้จริงเนี่ยเราต้องต้องดูว่าจริงของเรากับจริงของท่านเนี่ยมันแค่ไหนอ่ะนะแค่ไห น, น, นคุณลาวันเห็นจักสู่ตามเป็นจริงเนี่ยนะใช่จจคือจักสู่ที่เป็นจริงเนี่ยในฐานะทุกขสัตว์อย่านะัอันนี้คือค่าที่เป็นจริงของจักสู่คือทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ก็คือเอาว่าใ ห, ให้ให้ตรงศัพท์เลยนะทุ่บวกขัง ทุกไม่ดีขังแปลว่าว่างที่มันไม่ดีเพราะมันเป็นที่ตั้งของบาปอากุศลที่มันว่างคือมันว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนไม่มีเลยเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วก็มันเป็นเหตุของเรียกว่าเป็นอุปาทานขันเพราะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานตัวมันเองเกิดจากตันหาในอดีตเนี่ยนะ เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วก็เห็นจริงด้วยว่าไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะไอ้ไม่เที่ยงเนี่ยแล้วจุดประสงค์เพื่ออะไรที่แสดงไม่เที่ยงเรียว่าอน ok ิมิตตาวิโมกจุดมุ่งหมายที่แสดงไม่เที่ยงเพื่ออน ok ิมิตาวิโมกที่เห็นโดยความเป็นทุกเพื่ออปปะนิหิตาวิโมกที่เห็นเป็นอนัตตาเพื่อส ok ุญญตาวิโมกเนี่ยนะก็เพื่อเพื่อเห็นสิ่งเหล่านี้โดยไตรลักษณ์ก็เจริญวิโมกสาเนี่ยนะเจริญวิโมกสาทีนี้เมื่อทำกิจอย่างนี้แล้ว ไอ้พวกนี้มันก็ก็ไม่เกิดเนี่ยนะพวกนี้ก็ไม่เกิดังั้นข้อปฏิบัติตามคำสอนไม่ใช่กลุ่มเนี่ยต้องเรียกว่าต้องกันที่สุดเท่าที่จะกันได้ที่ต้องกันอันเนี้ยพระวินัยปิดกเนี่ยนะถ้าในฉบับของเราสิบเล่มเนี่ยจุดประสงค์เพื่อห้ามอันนี้โดยตรงเนี่ยนะแล้วถ้าคุณละเมิดตรงนั้นนะปาราชิกเข้ามาละคุณไม่ควรอยู่ในาศาสนานี้ นะถ้าสังขารที่เศษเข้ามาสังฆกรรมไปอะไรไปก็ก็จะบัญญัติถ้าปล่อยให้ตัวนี้มันเกิดเพราะอันนี้ถ้าถ้ า, ถามันเป็นสมุดฐานของอบัตหลาย10ข้อไ อ, ไอ้รูปปตัตนหาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าโดยเฉพาะโพธิภัตตันหาเป็นต้นก็โหนํามาซึ่งวิบัติอย่างอื่นอีกมากมายเพราะฉะนั้นท่านกันตั้งกต่คือมันจะมีบางสํานวนนะถ้ามอันนี้เป็นไฟนะ พุทธบุตรทั้งหลายมันมีอยู่ครั้งคราวเท่านั้นเองที่มันลามได้ซึ่งถ้าว่ารวมๆไปแล้วน้อยมากถามมาด้วยอนุภาพของอะไรด้วยศีลศีลเนี่ยท่านรวมถึงวัดต่างๆเนี่ยนะวัดทุดงปริยัตเป็นตัวมามาขจัดบาปอากุศลเหล่านั้นเป็นอย่างมากแล้วด้วยสมถะแล้วด้วยอนุปัสนาทั้งแั่หนึ่งสองเนี่ยนะสามสี่เนี่ยนะอ่า นะหกเนี่ยนกะุศลธรรมเหล่านี้มันกันพวกนี้ออกไปอย่างอย่างมากแล้วนะมันก็มีแค่ครั้งคราวตอนนั้นอนะ่ะที่เล็บขึ้นมาเนี่ยนะแต่ว่าไอ้การเลบขึ้นมาหนึ่งครั้งเนี่ยหลายๆท่านท่านถือว่านี่คือความเสียหายของท่านเช่นอย่างบางรูปไปบินธบาตในหมู่บ้านเนี่ยนะไปเห็น เ, เพศตรงข้ามเรียกว่าวิสภาคารมปั๊บกิเลสเกิด ขอกลับวัดนี่ก็บอกว่าถ้าปล่อยให้อันนี้มันลามนะทุกไม่มีจบมีสิ้นแน่ท่านก็เลยบอกว่าขอขอเข้าป่าแล้วนะวังนั้นไม่ไม่อยู่ละก็ไปเจริญกรรมฐานก็เลยบรรลุอริยมรรคเพรานการเกิดของอันนี้หนึ่งครั้งสังเวกขวัตถุของท่านเป็นอย่างดีเนี่ยนะท่านสลดใจมากที่ที่อันนี้มันเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเนี่ยนะสมัยพุทธกาลสมัย เขาไปกินบาตในเมืองก็สุกเสียงพระภิกษุถ้าเขาไปเสียงอันตรายมากเลยก็ในหลายๆสูตรก็แสดงว่าเหมือนกับเข้าสนามรบอย่าว่าพุทธกาลในสมัยนี้ก็ไม่ต่างอะไรกันเพราะว่ากิเลสมันก็ไม่ได้เลือกสมัยอยู่แล้วเนี่เขายิ้มให้ทีเดียวแล้วกลัวเสร็จเลย ก็บไปนอนไม่หลับเลยกิเลสอนุัสเนี่ยนะคำว่าอนุสัยกับปริยุทธานี่อันเดียวกันอย่าไปคิดอะไรมากมาคือสิ่งเดียวกันไอ้ที่มันต่างเนี่ยคือคนสมัยใหม่มาแยกให้ต่างแต่พระไตรปิฎกท่านไม่ได้ว่ามันต่างอะไรกัหรอกคือมันเป็นอย่างนี้นะว่าอนุัยว่าให้ตรงเลยเมื่อกี้กล่าวว่าจักษุเนี่ยถ้าเป็นจักษุที่ดี ถือว่าเป็นที่ตั้งของตัณหาเหมือนกับว่าไอ้กิตัณหามันนอนอยู่ตรงนี้ น, นะเอา ท, ที่เปรียบเทียบนะอา น, นะดอกไม้สวยดอกไม้สักดอกหนึ่งเนี่ยงามมากใครเห็นชอบเลยกิเลสมันอยู่ที่ดอกไม้ใช่ไหมไม่ได้อยู่แล้วมันอยู่ที่คนนั้นหรือเปล่า อ้าวแล้วคนนั้นก่อนจะเห็นดอกไม้กิเลสอันนี้ไม่เกิดนะแต่มาได้มาประจบเข้ากิเลสเหมือนเกิดเหมือนกับว่ากิเลสมันนอนอยู่ในดอกไม้อนุสัยเนี่ยนะเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ากิเลสมันอยู่ที่ดอกไม้แล้วคนนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ไอ้กิเลสอันนี้เขาเกิดนะไม่ใช่มนได้ปัจจัยแล้วมันจึงจึงเกิดเพราะสิ่งนี้มันเกื้อกูลต่อ ต่อกิเลสอันนั้นเกิดมากก็เลยเรียกว่าอันนี้นะเรียกอา ร, รัมมนานุสัยเห็นไหมแต่ตัวอนุสัยจริงๆคือกิเลสที่ที่เกิดขึ้นเพราะเพลิดเพลินในในดอกไม้อันนั้นแต่ถ้าเอางี้นะปกติที่คนที่เจริญ น, นะนะคิดถึงแต่อดอกไม้เดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็เน่าเดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็เน่าขีา้แต่อย่างงี้ไว้มากๆจนเป็นอัธยาศัยเลยนะนึกถึงดอกไม้ดอกไหนเหี่ยวเน่าอย่างเงี้ยเสร็จแล้ว พอไปเห็นดอกไม้ยิงกิเลสเขาเกิดไหมมันก็ไม่เกิดเห็หนเะนะพราะอะไรเพราะเขาทำกิจไว้เสร็จแล้วว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นด้วยเี่นนะทีนี้สําคัญว่าอา้ามันก็บานไม่ใช่เหรอมันก็ตอนนั้นมันสวยไม่ใช่เหรอก็ใช่อะ่ะแต่ถ้าคุณเพลินนะคุณจะได้ต้องเสียค่าปุ๋ยอีกนานที่จริงลหลักการอันนี้นี่ฮะ เป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับการเขาเจริญปัสชนากันในปัจจุบันถ้าลองดูให้ดีนะตรงเนี้ยเพราะว่าปัจจุบันเขาบอกว่าต้องอารมณ์ที่เรากำลังปรากฏจึงจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานี่นี้ตรงกันข้ามเลยคือสําคัญมากนะเพ่าคําว่าปัจจุปฐานเนี่ยนะถ้าถ้าว่าแปลกลับไปเป็นบาลีนนั่นนะคำว่าอารมณ์ที่กําลังปรากฏคําว่าปรากฏก็มาจากคําว่า ป จ, จูปทานเนี่ยนะป จ, จูปทานทีนี้ปั จ, จูปทานในในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ล็อกการอะไรคำว่าอาการที่ปรากฏก็คือการถามว่าอารมณ์นี้ถ้ามันมันหรือพูดให้เต็มนะปรากฏในสายตาของใครจริงๆถ้าแปลให้เต็มนะป จ, จูปทานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะปรากฏแก่บัณฑิตทั้งหลายอะปรากฏอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ล็อกการด้วยนะว่าเช่นปทวีมีความแข้มแข็งเป็น ลักษณะเนี่ยนะแล้วกิจของปฐวีล่ะเนี่ยนะแล้วอาการที่ปรากฏของปฐวีแล้วเหตุใต้ของปฐวีคือถ้ามันเกิดเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างนี้แหละวันยังคำ่ำอดีตมันก็เป็นอย่างนี้อนาคตมันก็เป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนี้แต่ที่ที่แสดงลักษณะที่จตุกะเนี่ยนะโดยเฉพาะคําว่าอาการปรากฏที่แปลเต็มๆแล้วท่านแปลว่าที่ปรากฏในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลาย <mm. ว่าบัณฑิตทั้งหลายเขาไปใคร่ครวนเขาเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยนะ แต่ปทวีก็การสามวันยังค่าเพราะปทวีเป็นรูปประขันเนี่ยนะมันเป็นรูปประขันทีนี้ปัญญาที่เจริญเนี่ยนะตั้งแต่ปัจจยปริขหายานท่านก็พิจารณาการสาแล้วเนี่ยนะสัมมาสนาญาณก็การสเนี่ยนะอุทยพยายานก็กอ็อดีตก็ยังพิจารณาอยู่สังขารูปเปรคหายานก็ยังพิจารณาการสาอยู่ดี ยนะอย่างที่เคยเอามาอ่านให้ฟังว่าถ้ากรรมในอดีตไม่มีขันในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีถ้ากรรมในปัจจุบันนี้ไม่มีขันในอนาคตก็ไม่มีอนอันนี้เป็นสังขารุปเปกขายานเนี่ยนะ ท, ที่ในปุริสักติสูตรท่านแสดงไว้อย่างนั้นเนี่ยนะแล้วกทว็ทั่วไปก็เวลาอ้างคำว่าสังขารุปเปกขายานเนี่ยนะในอุบเบก ข, ขาสิปการอ่นะ ที่ว่าสังขารุเปกขาเนี่ยคือโอเบกขาอันนี้เพราะฉะนั้นก็ยังพิจารณาการสามอยู่ดีแล้วก็เห็นโทษของออตัญหาถ้าโดยลำพังทั่ ว, วไปเนี่ยนะก็จำคนที่เจริญเนี่ยถ้าไม่เบื่อหน่ายในจักสูนี่อะไรเกิดแทนตรงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเบื่อหน่ายนะก็เลนเลนก็ตันหาถ้าตัญหาเกิดอะไรเกิดทุก็เกิดเนี่ยนะแต่ถ้าไม่มีตันหาในอดีตจักรสูนี้ก็ไม่ไมี ถ้าจากหูอันนี้ยังเป็นที่ตั้งแห่งตันหาตราบใดจากขูอนาคตก็ไม่มีจบมีสิ้นทำยังไงจะถอนไอวิปลาดอันนี้ให้ได้จริงๆเนี่ยนะเบื่อถ้าตัดตัดตัดเยื่อใ ย, ยในจากขูสักทีหนึ่งถ้าตัดได้จริงก็อันนี้ก็ต้องดับถ้าอันนี้ดับปฏิสนธิในพบต่อไปก็ก็ดับก็ด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะแต่ก็มาพูดเรียกสรุปย่อๆว่าจากหู จากโคสมูไทยันนะถ้าพวกนี้เลิกเป็นไปนะดับเรียกว่าสำนวนว่าล้มกระดานทั้งหมดเลยจากคูนิโรข้อปฏิบัติมาทั้งหมดกว่ามันเนี้ยนี่จากคูนิโรถาคาม่มีปฏิปทาเนี่ยนะทีนี้ก็เปลี่ยนทวารอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆๆก็เจริญไปพระองค์บอกว่าถ้าจะคิดให้เอาเรื่องนี้มาคิดให้มากๆเนีย่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายและ คลายกำหนัดเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ถ้าบอกว่าให้อารมณ์ที่กําลังปรากฏจึงพิจารณานะฮะตรงนี้ก็มาติดขัดละมา จ, าก จ, ากจากักขะจักขะศูเนี่ยพิจารณาไม่ได้ละเพราะการพิจารณาจากขูเป็นอารมณ์เนี่ยนะถามว่าเอาอะไรมาพิจารณาเพราะจากขู่ภาษาทานะเป็นอารมณ์ก็เนี่ยคือคเอางี้นะว่าคําสอนที่ถูกต้องว่าให้ตรงเลยนะในาศาสนานี้ต้องเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลาย คลายกำหนัดอันนี้คือคือหลักมาตรฐานในในพรหมจรรย์นี้ว่าคําสอนใดก็ตามที่แสดงนะถ้าไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดไม่ใช่เพราะว่าคําสอนของพระองค์นะที่ที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อเบอื่อหน่ายและคลายกําหนัดทีนี้ถ้าใช้คําว่าเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดนั้นขณะไหนก็ขณ ะ, ะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะทีนี้ทํำยังไงมันจะเกื้อกูลต่อต่อการแทงตลอดอริยสัจ เพราะทุกขศาสตร์นี่เป็นไปกี่การล่ะก็สามการแต่แต่สมุทัยนี่นะต้องว่าต้องเอาทุกนั้นนั้นมาตั้งก่อนแล้วค่อยสาวไปหาสมุทัยใช่ไหมเช่นพิจานาจากโศ น, นี้แล้วค่อยสาวไปหาปัจจัยของจากโศ น, นี้เห็นไหมนี่ถ้าถ้าลักษณะเหมือนกับว่าเอออะไรเกิดขึ้นก็ดูมันคือสำนวนนะทั่วทั่วไปอะที่ ท, ที่ที่ฟังมามบ่อยก็คือ ถ้าเป็นสายบางแทงแล้วดูมันอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันเหมือนอย่างเราดูละครเนี่ยนะดูมันมันฟุ้งก็รู้ว่ามันฟุ้งมันสงบก็รู้มันสงบกว่าดูมันไปจอมมันไปอะไรก็ว่าไปมั้นก็ก็มีอยู่เท่านี้ถ้าบอกว่ามีเท่านี้นะพระไตรปิฎกมีสูตรประเภทแบบนี้สักหนึ่งสูตรไหมที่ว่าภิกษุทั้งหลายดูมันเถอะอะไรมันเกิดก็ดูมันเนี่ยนะ ก็ อ, อ่านเจอมั่งไม่เจอนะไม่เจอก็ไมใ่ใช่คําสอนก็เราก็เลือกเอากันแล้วกันอย่เดินของใครก็ว่าไปนะเพรนะนั่นจะคูภาษาทัพไม่ปรากฏครับเกิดไม่ปรากฏอยู่แล้วสําหรับคนผ่านทั้งหลายบัณฑิตมันปรากฏเสมอเหมันปรากฏทางใจครับแต่ว่าห้ามนึกนะคิดอีกก็จบเลยครับแ ต, แต่ว่าไอ้คำว่าปรากฏนี่เป็ น, ปนคําที่เรียกว่าให้กฤษฎีการปฏิความว่ามันมันแค่ไหน มันยุ่งจริงๆมันขับค่องไปหมดแล้วต้องต้องอธิบายแล้วอธิบายอีกนะกิตติการนี้เปิดหัวหมดเลยก็ก็เลยว่าไอ้แค่ว่าง่ายๆนะนงมาว่าคําสอนก็แสดงเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วก็ก็ถ้าทาไม่เอาคําสอนมาว่านะถ้าเอาเอาผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของศาสนามาว่าตามนะส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของแลอยากว่าอะไรก็ว่าได้อยู่แล้ว นะแต่พระพุทธเจ้าก็เอาตรงที่ว่ า, าศาสดาของเราเกล่าวเช่นไรแม้สมัยพุทธกาลเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แลยเพราะสารีบุตรไปฟังเดรตีคุยกันบอกเออาจาักรู้ข้อความอันนี้ในสำนักของภาษาสดากลับไปวัดก็เล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังพระองค์ว่าไงก็ทรงจำตรงนั้นเอาไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าให้ตรงไปแล้วเนี่ยพระโสดาบันก็คุณธรรมแรกแรกของท่านก็คือนี่แหละโสดาปฏิยังฆ่าธรรมสี่หนึ่งมั่นคงในพระพูทสอง มั่นคงในพระธรรมสามมั่นคงในพระสงสามมั่นคงในในอธิศีนของท่านนะ่ะนะก็ก็เอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ก่อนเนี่ยแต่ว่าในสมัยใหม่ก็ถามว่าเขาก็ปรุงปรุงสูตรมาเพื่อพวกมัมม่าต้มยำพวกหลายมันขายดีอยู่แล้วมันใครจะชอบสูตรสำเร็จรูปกว่าไปก็ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้ามาศึกษาให้มันละเอียดเข้าใจเหตุผลแบบนี้นะ สมมตินะใครมานั่งกรรมาฐานนะสมมุติให้มาไปเทศวิปัสนาหน่อยเขากำลังนลังห ล, ลับตาลึกซึ้งเขาเลยนะและ้วโอ้นี่นะจากคู่เป็นอย่างงี้มาจากปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่รู้ว่าไปทําให้เขาฟุ้งเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะถา้าถ้าจะว่าไปนะบอกเออท่านไปนั่งบรรยายเรื่องวิปัสนาหน่อยแล้วก็ขอมาเนี่ยพูดแบบนี้เป๊ะเลยนะเขากำลังนั่งหลับตาฟังเลยนะไม่รู้เขาจะสมานัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะมันก็ก็ตอนนี้แหละที่เที่ทำใจาไว้เป็นของส่วนตัวว่า เรามีอะไรเป็นสารณะล่ะก็คงเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์เข้าไว้ก่อนเนี่ยนะเรื่องไตราสารณคมหรือศรัท ธ, ธาที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนั้นก็เอาเป็นเกณฑ์ซึ่งที่พระองค์แสดงไว้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดก็คือว่าบุคคลเมื่อมีศรัท ธ, ธาก็เข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็เงี่ยเงี่ยหูเงี่ยโสดลงฟังเมื่อเงี่ยหโสดลงฟังแล้วก็ ทรงจำธรรมะอันนั้นเอาไว้ได้เมื่อทรงจำธรรมะเอาไว้ได้ก็มาใคร่ครวนโดยอัดโดยโดยธรรมเนี่ยนะเมื่อใคร่ครวนมาเพ่งให้พิจารณาแล้วก็ตั้งความเพียรเนี่ยนะตั้งความเพียรตามตามธรรมะเหล่านั้นเมื่อตั้งความเพียรถูกต้องฉันทะก็จะเกิดเมื่อฉันทะเกิดอุตสาหะก็ก็เกิดเมื่อมีอุตสาหะก็ประหิตตัดโตประหิตตัดโตคือทรงตนไปเนี่ยนะคือทรงกา ย, กายหรือทรงกายหรือ เรียว่าไม่อะไรากายและจิตน้อมจิตไปเพื่ออริยมรรคและพระนิพพานเนี่ยนะก็ส่งตนไปเช่นนั้นก็สามารถจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะก็จะเป็นผู้ที่มั่นคงในคุณของพระรัตนะตรยัยอังจากที่เปิดเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะก็คงหวังใจไว้ว่าเราทั้งหลายคงเจริญงอกงามในพรตนะตรัยเนี่ยนะที่เรียกว่าสาร ะ, ะอื่นหรือที่พึ่งอื่นของเราไม่มีนอกจากพระพุทธพระธรรมและ พระสงฆ์เนี่ยนะด้วยความด้วยัจจาวาจานี้ขอความเจริญงอกงามในธรรมในวินัยจงบังเกิดแก่เราท่านทั้งหลายอันก็ขอจงเป็นไปเพื่อตรัสรูธ้ธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้วทุกคนทุกท่านนะขออนุโมทนาไหว้พระพร้อมกันเลยนะครับเห็นฮะ หมายถึงจากโซไหนจากโซชาติหน้าหรือจากโซชาตินี้ก็นั่นแหละตัดเยื่อายตั้งแต่ตอนนี้เลยนะ ก็พิจารณาจากขรูโ ด, ดยความเป็นเนี่ยเป็นของที่มีมรรนังแน่นอนเนี่ยเยจเริญไม่มากมากเถอะ